พระธรรมเนสนาจาดกเรื่องนางมากปิ่นคำผูกติเก้าเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูประเด็นทำฮกเประโยศนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ สัปิขอปานาโอผินนังจัญญาปติการังเกหาดิคาบิตตวติสัตว์บูราสปุริตาตั้งไลตั้งยิงใจนุ่มเทาอันนั่งเฝ้าดาฟังเจ่าดกยังไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนะนาวาซาปิโคปะนะดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวมาจุงจักดาฟังที่เราจะจีจ่จะใครลำดับไปไปนาบัดนี้และนะ สาปิจอปานาสวนว่าสาวสาวรีอาข้าวกันจากเก่าเกห่งสองขาแก่เท้ า, าก่าขากอขึ้นเล่าได้ใจว่ากันกูไปจะใจตามกองไตตั้งลวงควนปันปงวงมวนหมูเขาได้หูเล่งหันจักไขรปันเกาวทอย แก่พวกน้อยคนหานเขาจะนา่นตั้งใเตียงจกไกลตัวตั้นมาแต่งฝันหลาบซาหือกูความนาเมื่อมอนกวนเที่ยวจรนลาพรากเว้นเสียจากต่างคนเขาไผ่สนป่าเศร้าไปหาเจ้าระสีอยู่ปุรีแต่ต้องแดนเขตทองเมืองคนทุกตารนไม่เดือด <c oughs> บ่หูเขือดคืนวันอยู่ดงตันป่าไม้บอ่อนใดเครื่องกาพิจาระนาไข่เล้วนางนอแก้วสายสีกอเตี้ยวนีลาผาเว้นเสียจากตั้งเตี้ยวบุญดงเขียวกุ้มยาเพื่อเตี้ยกว่าไปหายัางตาป่าซาผู้เท่ากลางป่าเศร้าดงขวางอันตนนางนาทย เคยอยู่ไกลเดิมมาตามสัญญาจำมันแต่ก่อนนั้นฟังลังยังติดฟังแจ้งส่งด้แห่งห้องหอระไทยสรีลงไว้กินกู้จำไมยหูสัญญาว่ายามเตียวมาเมื่อก่อนกับเจ้าน้อยอ่อนสุริญยาคุมมาจากหิมาปานแต่ต้องกังเขตห้องดงรี ที่ระสีบุญกว้างอยู่ก่อสร้างปั๊มเพ่งทำลัดดงดําหอมห่วยเหี่ยวลิงช่วยผาจันบุญดงตันดันกอดมายัางจอดแดนใด <c oughs> สรีนองว้แก่นไทยยัยงจือได้จำไว้ก่อพันภผยฟังเฝ้าไปตามดาวสัญญากาะมีหันและนะ้า สามาหาวานัง ป, ป่าววสิตาสลีบวัวบานดอลาบุญดันป่าดงไพยค้ำตีในนอนหันแจงแล้วดันพันภายตามจำหมายจือใดทวนคบไข่เจ็ดวันสลีสุพันยอดซอยก่ออ่อนมอยรวยแรงเตียวบ่อแข็งอิดอ่อนแรงน้อยพันสูนาย ยกตีนพายยินอยากยศยกตีนผากยินผ่านน้ำกอปานจองกองตัวนั่งนองเป็นห้อยแฮ่หินดอยค่มบาทตีนนางนาดบวมป้องสุกเป็นดองจูจำยำยกย่ำเตียวไปเจ็บเหลือใจนักแก่ด้าเต้าแพ่เป็นกรำ น้ำปะกคำบ่อออกเจ็บลำหมอกนำนาสรีโซภ า, าข้าวลัดดานดาวไพรสนบ่มีคนเป็นเพื่อนบุญด้านเถื่อนเดียวดาย อุดพันพายดันสนตอตตอตล อ, อ, อดอยามแรลงตาวันแดงย่อนหอยลับเหลี่ยมน้อยอยู่กันทอนสลีบางอ่อนหล่อเบาก็อไปรอดเก้าโปรสรายอันมีใบรมกวางนกอยู่ร้างลวงลายนางชมชายนาทใหยก่อขวาดได้สัญญาว่าตัดนีนาเมื่อก่อน เจ้าน้อยอ่อนสุริญยากุมมานลัดดงดานมาจอดเือหิวหอดไม่หายนางชมชายนอนเน่าซ้ำกึดเล่าคนิ่งหา <c oughs> ยังสามีกากินกู้ว่าบัดนี่อยู่แดนใด น, นางกึดใจข้าคอยตุกจ่องหอยหลายอันสรีสุพันหล่อเบาจอดปืนเก้าโปรสไร กึในได้ใจจักจอ่อต่อตอรอดวันลุนโศกทุกศูนลายซ้ำบ่ตันคำจนตานางโซฟาอาข้าวลวดลมเต่าตั้งคิงสยญบสาบิงยยอยู่ไกลตนเกาไม่โปสารไรก็มีหันและนาะ ที่นี่จากวันนานาจากเก่าถึงนอเต้าสุริยาคุมาลัสรีนงคานนาต้องไว้ตีห้องศาลายามปอกมาตีเก่าบ่หันน้องเนาสายสีเป็นทุกขีเอาไม่ดังเก่าว้ห่นหลังนี่ใหญ่ยังไปแจ้ง ราจิงแสงเทสานาวาโสตังอติิตาเวเกนากาเวสันโตดังนี้เป็นต้นภิกะเวดุราภิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาร์ส่วนวาเจ้าน้อยนาสุริยากุมารนอบพทธิยานบุญกว้าง นำหมูจังฟังปลายเสนาลายมวนมากออกมาจากเวียงใจว่หันใส่ใจน้องเ่าอยู่ที่เก่าศาลาตามดังจาวาไว้ยินเอาไม่เดือลไายรีพันภายสอสอทหานยังยอดนารีตามโบคารณีวังใหญ่ตามคุ ม, มไม้ใบนา แหวงหาเลื่อมเหล่าบ่หันน้องเนาแดนใดใค่กําไปเรียกร้องเสียงตอบท้องบ่มีมาเมื่อตันตาลำหมอกหมยจากปอขึ้นหลังเปืือมายังที่เก่าแล้วปอกเข้าเบียงใจ ปล่อยเตียวไปพดออกจากส่วนดอกอวิญญาณโยทาหักหัร้องบ่มีกองสองหูสายบุญจูยดใหญ่ตกเอาไม่นำนากอไก่กาฝังเฝ้าไปสู่ดาวแดนไก่กวางเมาไปบ่หูขึ้นไปสู่ปุรีตีแตนีจันจัน บุบุญดันเคลือวันมือตื๊บตันจุตีบอแจ้งทีหันหุนลัดไผสนขุมยาดังเตี้ยกว่าตังดีเจ้าบุญมีน้อยหนาต่อเกิดขวาดสังกาวาสันได้จ้าดังอีแต่ก่อนกินยำวันคู่ไผ่พันลผภากอกไปจากศาลา เขไปหาปลอเต้าอันอยู่ดาวหอดใจก่อเร็วไว้ไปรอดเขายังจอดบัสเตียวแล้วได้เร็ยวปลอกเต้าค <c oughs> ืนติเก่าสารก่อดยังมาจุจอดไปปลอกรอดเรียวไว้เป็นสันไดบัดนี้มือจู่ตีตันตากูเตียวมาบอจอดยังบ อ, อรอดปารา จุมเสนามวนหมเข้าไปอยู่เสียในบ่อนินไผหโร้องฮือมีกองซองหูหรือเขาจังกูลายหลากจิงฮับปากเย็นบอยนี่หายซอยเสียงไข่ละกูไว้เดียวได้เจ้าบุญไผ่หยอดซอยตุกจองหอยเดือใจ เรีบเตี่ยวไปบอ่อจอต่อเต่ารอดวันลุนนอตอนบุญยศใหญ่จริงขวาดได้สัญญาว่าได้เตี่ยวมาจากห้องแดนเขตต้องราชธานีตกดงรีป่าไม่บ่อใจไกเวียงใจก็มีหั น, นแลนาะ โจตะโกแม่นมีผู้ไขหูมาเก่าอจะทำบาตนใจร่ำน้อยอ่อนบิบากอนสังใาติดตัวมาตอบใสเอร้อนไรเรร้นกว่งเบาวนสอสอดถายังยอดโซฟาวิสัจะกาฝ่ายผู้จะแก่เฮือแจ้งแด่ตามทำ กวนไข่กั๊บอกก่าวฮือหูข่าวตามมีว่าลายพันปีเมื่อก่อนเจ้าน้อยอ่อนกุมารเกิดเป็นผานป่าไม่แอวซศอ้าใแสว่างฮาอย่างสัตนาดะมวลหมูอันมีอยู่ดองตันวันหนึ่งมันเที่ยวต่องเข้าสู่ห้องดองดำหันนกเอียงคำจางอู อยู่เป็นกู่ผู้เมียร้องเสียงเสียในป่าพานอยาบจะใจไฟก่อยลีไปตีไก่กองเอาใดนำมายัางสกุหนาตัวปูนำไปสู่เฮือนมันยืนเข้าปันน้ำตอนนกบหอนจักกินย้อนอาจินกิดรอดหานกยอดเปียมัน กานเล่งหันเกิดหูนำไปสู่ดงไพยปล่อยไว้หนที่เก่าแล้วปอกเตาขึ้นมาผ่านปาลานั่นไ้ตายเกิดไข้ลายหน บุญกุศลตั้งต่อเกิดเป็นหนอผู้บ้านบาปนกปานบารอดได้ภาคยอดเจวาสีได้เครื่องขี่ปันบ้าลงเข้าป่าดวงดอนนั้นแลนาต้นสมาสาทาโวาเหตุนั้นใสคนร้อยใหญ่ยิ่งใจอย่าคเกิดไปตั้งบาปจุงรีบาาตั้งบุญบุญจักหนุนสงยย คือได้อยู่ศดีพระมูนีทีไวสอนสั่งไว้เหมือนมาวกำปาลบาบเสาแม่นมีเต้าปลายมือ <c oughs> อย่าถือเตอว่าน้อยมันจะ ก, ก่ อ, อยลมเผายังตัวเฮานั่นใสหื้อห้อนใบป่ายลุนกะทำบุญเตือนน้อยอย่าตำก่อยมองใจ ต่ำไปติดต่อบุญเกิดปอมีลายบุญบ่าหายผาค้างหื้อสมไฟอ้างภาธานะาานาบ่ยาเจลนะโสปนาสวนสุริยากุมมันนมเน่น่อพระเจ้าตะสะพนกันหูขิงตนแจ้งที่ว่ามาตกตีดงดอน กำอวอนไม่เดือดบ่หูเหือดหายหนีซ้ำเกิดมีมาเต้านิ่งกว่าเก่าเรือลายย่อนเสียได้บ่แล้วยังนางงนอกแก้วป็นคำว่าป่าปักคำอันใหญ่ได้สั่งไว้สั่งจาติดตัวมาตอบทายือร้อนไรเรรน ปันี้ตนนาต้องไปอยู่ห้องแดนใดหรือสายใจมวยมางในสละกวางโบครณี <c oughs> หรือว่านีปอกเต่าไปหาเจ้าทารงทมกลางดงดําเถื่อนทองแดนเขตต้องหิมะปาน เรือพีมานหยาบจ้าปากุมก้าปาไปหรือคนใดใจหยาบเก็นขานาไก่ก า, กาควรซะแว่งหานางยอดเือเสียงคอดจงใสยควรเร็วไว้ไต่เต้าไปไว้เจ้าระสีไขาวาตีบอกก่า คือหูข่าวอาการเจ้าท่ารงยานบุญใหญ่เตียงหูไข่ตามทำบ้านนีปินคำกินกู้ตายหมกหมููหรือยังหน่อปุธังก เ, อกอกเกิดแล้วก่อกาศแก้วภายพันรีเปลี่ยวปันบ่จ้าเข้าสูปา่ป่าหิมะมป า, านดันดงดานป่าไม้ ข้ามดอยใหญ่เข่าเขียวตามหอยเตี้ยวเมื่อก่อนยามจากบนระสีจำจืดดีเบียดไว้รีบซาใส่เตี้ยวไปค้ามตีในนอนหันแจงแล้วดันดงตันลายึ้นวันแต่เล่าจริงไปรอดเจ้าระสีตนวัดดีอง์อาจ จบชาลาทรองยานในหิมมาปานแต่ต้องไกลจากห้องเบื้องคนก็มีหันเลยนาโสอิสีโนอาสมาปตังสัมปตานัสวนสุริยะกุ ม, มารดอเต้ากันไปรอดดาวอาสลม แห่งเจ้าอูดมบนใหญ่กอน้อมใบวันตาไขาขี่าบอกเล่าเฮแก่เจ้าบุญมีเจ้าเจียงจีตอนองอาจจบาลาจูพ ก, การจริงเล็งยานและสอดกอดหูรอดบาตเดียวจริงจาเลีตานต่อ ซึ่งเจ้าหนอบุญนาวาดุราบุตรตาเฮ้ยน้อยอ่อนเมื่อยยามก่อนหัวตีเจ้าได้นี่จากนี่เตียวลีกลี้ดองตันได้ไยพันเตียวต้องไปตัดจ่องกองได้จุงเร็วไวไต่เต้า ตามต่างเก่าหัวตีจกักปลายสะลีน้อยนาดบอได้กาดไก่กาเตาว่าวันนี่นาคำแล้าาวเจ้าหนอแก้วบุญมีอุดขันตียังอยู่อยู่เป็นกูจอมเราย่าควังเมานักกว่าย่าโซกาเลือลายถึงยามไงพวกเจ้าก้อยปอกเต้าขึ้นหลังแดดว่าอัน เมื่อนันสุริยากุ้มมันหน่อเนาฟังคำเจ้าราศีโศกตุกมีลายลาก่อหูผากไม้แฟนยกสองแขนต่างเก้าไว้ตนเจ้าธรงทมและกะตํามจุไอใจการน้อยใหญ่นานาดังกตั้มมาเมื่อก่อนบอกผ้อนสักอันก่อมีหันและน้า อนาติวะเสกันวันลุนแจ้งส่องหันไข่หองดงรีหน่อมูนีนมเนากอน้อมเกาวันตายังตาปาสาบุนใหญ่ตนจบไข่ทรงยานไข่ก uh ัมวานอ่อนอ้อยวีบ่น้อยนานา แลอาาอกกอลาลาผากอกไปจากอสรมตามพารม่มใจจอดเปือ่อเสอดเสแวงหานยังสีโสภาเว่นแกว้วงามเลิศและออปินคำลัดดงดำสื่อนาบุญดันป่าดงเขียวตามหอยเตี้ยวเมืออเ่อก่อนยามจากบนหัวตี ตำราศีบุญกว้างหากเกาอ้างปันไมรีบพันภายฟังเฝ้าลัดดันดาวดงไพ่คำตีในนอนหันแจ้งแล้วดันดงตันลายขึ้นวันดวงแล้วจริงไปรอดไม่แก้วโปสสไร ยามตาวันใสตกต่ำดาเบื่อขำจนตาเจ้าบุนดายยดใจคืดใจไฟจากนอนจิงรีบจอนไตเตาไปตีเก้าโปสระไสัตว์ตาไปตีไก่ก็หันใสยิงรามลักขานงามใจชานอนสื่อนากองตา หันสังกาลายลาจริงออกปากจะถามด้วยคำงามทวนทิอเสียงตีสงสัยว่าคนใดนั้นเล่ามานอนปื้นเก้าลุกคาเป็นมนุษย์ตาต่ำไตหรือผีถอยไรแถลงเป็นหรือยักเย็นเพศกา กับเป็ด น, นามา้องเรานี่ปองไข้หูจุงกาอูมาปันนางจอมขันยอดซอยบ่อตอบถอยไข้กำตนองค์คำดมดาวจริงคดเข้าไปหาพิจารณตีไกลก็จำได้บัดเดียวว่าเป็นชมชาเลวยอดซอย <c oughs> งามจื่จ้อยปินคำเจ้าบุญนำดาลาตกขาป่าเรือลายดาจักไายมวยมั่งกางปากว้างาาดงรีตุกเก่ามีบอ่อผ่อนตุกใบคอนบีมาจักไครจาออกปากนินลำบากเรือใจนอห่อใจเจ้าจ้ า, จ า, จ า, จาจงนั่งจิมคางนั่งงาม ยกมือซ้อมลลบเนื้อตัวเป็นเหือตั้งคิงตัวนางหญิงยังอุ่นใจเต้นตุนต่อมือเจ้าบนเลือเรียกร้องยังนาดน้องนานาและนาธรรมภาคเสนโตศรัทธาศรัทธาสับปัญญายอดซอย บ่ถอยบ่ลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสานวาวโสตังติตวานปริเตวันโตดังนี้เป็นตน้นพิกาเวดูราภิกคูตั้งลายอันเป็นสายอริยญาตเื่อนักพาทรงยานส่วนนอผู้บ้านหนุ่มเนา นั่งอยู่เฝ้าหนงรามยกมือซ้มหลบไลลภาพเสียงไข่อินที่ตัวชมซาลียังอุ่นเต้นมะมุนต่อมือ <c oughs> ตนบุญเลือยอดใหญ่ตกเอาไม่ดานำจริงไข่กำเรียกร้องว่าดูราน้องใสใจเป็นสันได้นั่งนาดมาก้ก่กาดวางตน กังไพสนทองเถื่อนบ่อมีเพื่อนพ่อสองร้อยนางปองไตเท้าไปหาเจ้าราศีลัดดงรีหิวหอดจิงมาต่อตนตายเหนือดินทรายต่ำใต้พืนรมไม้เฟือยนาสะนีโซฟาและปีลบลิกลีนีไก ปี่อะไรอ้วงคองเบาขึา้นหลังเววนลัดไพ่สนหอม ห, ห้วยเหวี่วยงลิงจุ้ยเกาะพันดอยสูงจันท์เปียงขึน้นบอกหูจื่อบังเบ้าใจกว่างเมาเศร้าใส่ปฏิไดหันนั่งสลีกิ้งบางแว่นฟ้าปล้อยความนาสยกตาย เรืออยากพายอยากจ่าเป่ามนก า, าคมหื้อสีอุดมอาข้าวได้ล้มเตาเมื่อมอนหรือติบพญทรป่าไม่เป่ามนใส่ยังนางสลีกิงบางกินกู้จริงบ่หูกิ้งตนหรือสั ต, ตาลนกูงอดมาจกต่อตัวนาง เรือสัดดงขวางน้อยใหญ่แพ่ปิดใจอินทีปิดมันมีไหลแลสระแพ่หัวใจฮือส น, นีองไว้อ่อนน้อยได้กัดก้อยเมื่อมอนธุระใสสะมอนน้องปียารีบลีน่หายยารีบตายพักนะขอรีบกว่าขึ้นมา ปี่เววาอ่วงคองเมาหักน้องจอมขันลัดดงตันป่าเศร้าไปหาเจ้าระศีอดขันตีซอสอจริงมารอดหันหนางสลีขิงบางน้อยหนาดป้อยก้อยกาสยกตายกันนั่งทิ้งภายเว่นฟ้าบ่ปอกหน้าคืนมาปีนี่นาเอาร้อน ทุกโซคอนเหลือใจจักไปในบ่รอเตียงจะกตอตนตายเป็นกูนายน้องเนาอยู่พื้นเก้าโปรสรายพี่กึใจดันสอดจักปานยอดใสสรีไฟภูรีเมืองกวางฮือคนอ้างลือนัน จากป่าจอมควันกินกู้ไปเป็นกูส้สวยเมืองบัดนี้นา่งบุญเรืองอาข้าวป้อยมาเต้าสยกตายกำมปีใหม่เกิดไว้บอหหอนใดดังบังกันนังยังฮักพี่ยาหลีกลีกไก่กาจุงลุกมายาจา้า มาต่อ ต, อตอาไขกำหนอหอคำหนุ่มเนาตุ๊กไม่เอาเครื่องขีไขาวาตีเรียกร้องยังนางดาน้องน า, นานาดังกก่ามานี้และนาตาสะบิงคาเนในค า, านาดันใสานางหนอไทยกิ้งภผยสัยก์ไตความนาบ่เนินจ้าหึงนาน จิตวิญญาณนางงนาดยังบกขาดเสียตนหนอตะสะพนบุญใหญ่มาจบใสเรียวไวร้รี่รรำไรเก่าท้อยมีบ่อน้อยลายภากกานางนงคานดวดฟื้นสะดุ้งตื่นมืนตาหันสามิกาหนุ่มเนานั่งอยู่เฝ้าเตรียมคิง สรีนางยิงสาลังลุกขึ้นนังเรียวไววเนตดนาวนหนหิวหอดายเสียงคอตันตาหันสังกาลายลากจิงออกปากจะทามบาดูราใจารำลมเ น, นาวแม่นเป็นเจ้าสุริยากุมมานหรือผีดงดานยักษ์เพทเักแหลงเกตมาดน หรือขุนอินตนโยฟ้ากับเป็ดนามหาหรือนาคาต่ำไตกับเป็ดใดเป็นคนดันไข่สนบาสูถึงที่อยู่นางนอนหรือติปพญทอนวีเศษาแหล่งเป็ดกาญยาเหมือนสามิกาแห่งข้าผู้จอว่าสุริยะงกุมาร จุงจะขานตอบทอยเฮขาน้อยตามมีเมื่อนั้นนอพุทธาหยดซอยจริงตอบทอยกำนางว่ดดุราสลีกิงบางดองปีคนนั่งนีนั่งหันบ่ใจขุนสวรรค์อยู่ฝ้ากับเปตตามาหา บ่ใจอากายักเพทิทะาแลงเพิดมาลอนบอใจติพัญญาถอนเป็นกันพี่นีแม่นตัวใจมีชื่อหมายบอกไว้ว่าเจ้าหนอไทยสุริยากุ่มมานปนานนงคานหนาต้องมาจากของราศีลัดดงรีป่าไม่ไปรอดไกเวียงใจ เป็นสันได้นองนาลักปอกเตาคืนมาบ่อรอราพีไทยเอาเสนาใหญ่รีพลมาแห่ตนนางน้องเข้าสู่ห้องปุรีสั่งลักนีบอบอกสัง่งจุหลอกตอน้นใจบอหักหลจ้องหอยฮักแต่น้อยยังดี นี่ลักนี่ภาคนาฮือโซกาขี้ขมตกลงถมใจพี่บอกหูตีบางเบาพี่กวังเมาเตียวสอดหายังยอดจอมควันลายคืนวันแต่ใสจริงจวบใด้บัดเดียวขอชมชาเหลวกินกูบอกปีหูตามมี สาวซาลีเวนฟ้ากอตอบตาไรจารลำดับมาแต่เกขาทราบต่อเต้าถึงปายด้วยปริยายหลายแหล่บ่เว้นแวอันใดหืนอนห่อใจยดใหญ่หูแจ้งไขจูพักการนอโพที่ยานยศยาวฟังนางเก่าไขจ้า ความสังกาก้อยกาตุกไม่มาดมีหายจริงทำสายน้องเนาว่วาเมือ่อแรกเก่าหัวตี <c oughs> บุญนางมีหลายลาเกิดจากมากปินคำเว้นและกำมาปาดใดก้อยกาตเมือ่มอมนวิญญาณจรไปเกิดเอากำเนิดเป็นตัว ในดอกบัวดวงใหญ่พฤเกิดใดเป็นคนเกิดสองคนดังนี้คือจากผีจำไม่เจอแห่งไหน่องเน่าตามจื้อกาเดิมออนหรือเอาน้ามาก่อนแถมไม่ผีจักใส่ตกปันสดีสุพันณแบนฟ้าก็ตอบตากําไป ว่าน้องเพิงใจชื anh, đ đ o, ่อเก่าคือชื่อนอนเอาปิ้นคำจุงไข่กั๊เรียกน้องอันอยู่ห้องดองดอนนำมาก่อนเมื่อก่อนอย่าใยผ่อนหายหุน ตั้งสองคนจื่นสูต่างเกาอู่ไขจ า, ามีนาหนา้าบ่อน่อยดึกแล้วมอยลับไปปืนโปสอะไรร่มกว้างกล า, างตาตั้งดงรีและนาโอนาทีวะเสกันวันลูนแจ้งรุงสายฟ้าปุ่งเรื่องไรนอหอ่อใจหยอดอยก่อเาาทอยไขย่ก๊ำ ซึ่งนางปิ่นคำดอลาว่าจักวายนาคืนเมืองเอาสีบุญเรื่องน่องเนาไปเป็นเจ้าห่อใจก่อยเตียวไปจ่าใจลัดป่าไม้ดงเขียวห้นตังเตียวไก่หดลายรอยหยดกนานนะาสะลีโซภาดลาแสงตอบตากำไป <c oughs> ว่านินยากใจนักกว่าจากดันป่าเมื่อเมืองเยี่ยวตันเครื่องคำค้าเฮความนาเมื่อมนดังเดิมอ่อนเมื่อก่อนค่าน้อยอ่อนกลัวตายใจบ่หมายใครได้เป็นสะไปห่อคำอยู่ดงดำแดนป่าสุกใจกว่าเวียงใจกันน่องไปจอมปีถึงรอดตี่ห่อขวาง เตียงละนางงดองไว้หือตันใดบุปตีพี่เตียงนีลีกลีดังก่อนกีเดมาขอสายตาพี่เจ้าปิกปอกเตาเดียวได้น้องนี่หมายไปสู่ยังที่อยู่ราสีตนวัดดีก่อสร้างกลางป่าควางหิมมาปัาน้นนอโปที่ยานหนุ่มเนาก่อตันเหล่ากําไป ว่าใสา่ใจเฮ้ยน้อยอ่อนแต่เมื่อก่อนเดิมมาปีาสาพามาบอกคืดขวดอ้นตายบัดนี้หม่หูแลว้ว <c oughs> บ่กแลน้องแกวเสียในดังกำไ่แต่ไทยจะเสืบไว้นานมาว่าคนาสาพามาเตียนย่อมอาจถึงตาย เงาลืมลายเสียก่อนรักเกิดซ่อนไปหลังคนใดยังบาบไปเข้ามาใกล้ตัวนางดาบคมบางเทียนกาจักลาบซาแต่งฟันเวทมนต์ยันหลายหลากปีนี่หากยังมีข้อสาสสรีนัดน้องอย่าอ่วงของดงไพจุงเดีวไวอย่าจะจอมปีกว่าเ ม, มือง ตนบุญเรื่องว่าแล้วแสงกาดแก้วพันภายนั่งชมชายนอละก็จอมกว่าเร็วพันสองจอมพันจินจอยต้านตอบถอยจะเหลียวลัดดงเขียวเถื่อนทองเปื่อปอกรองธานีก็มีวันนั้นและนะ เนธีตังขีณาสังวั น, นานาวิเศษจาห้องเหตุนางมากเปนคำผูกทวนเก่าปาังเมื่อเจ้าสุริยะกุ ม, มาร น, นำนงคานนาต้องดันเถือนทองดองตันเปืือพายพันไปสู่ยังที่อยู่เวียงใจจักสมใจไยอ้าง เือเวิดว่างไก่กาแม่นศรัทธานมเทานั่งงอเข่าเหมือนยาวบ่อเน็ตหนาวสาตานบ่เมื่อยข้านสันหลังผูกสิบยังไปนาจุงก้อยทาฟังไปผูกนี่ไข่เต่าอีเต่านี่วาดวางลงก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลว